ภาวนาแต่บ้านแล้วไม่เอานะบ้านแลพาไปหาหมอนะถ้าอย่างเพิ่งเริ่มเคลียดๆ เ, เลยนะมาฟังซีดีหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างก็หายนะบางคนสามีทิ้งหนึ่งมาฟังซีดีภาวนาสามีกลับมาบ้านแลนะ้บ้านร่มเย็นความจริงหลายบ้านนะที่ผู้ชายหนีไปเพราะมันร้อนผู้หญิงหัดเย็นๆนะบางคนเมียหนีไปเพราะในบ้านมันร้อน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 เียวเวลาเราเราเป็นชาวโลกมีหน้าที่ทำงานเราก็ต้องทำไปพอทำงานไปแล้วจิตเกิ ด, ก, ก, ดกุศลเราก็รู้จิตเกิดอกุศลเราก็รู้จิตมีสุขเราก็รู้จิตมีทุกเราก็รู้รู้เป็นระยะระยะให้ายๆสปัตเช็คตัวเองนะเวลาที่ใจเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเราก็ตั้งใจทำงานไปพอทำงานไปแล้วมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจเราที่โดดเด่นขึ้นมานะสติมันระลึกเอง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 <g ül> <laughs> ผมนึกว่าผมมีโมหะแล้วมันอีลุนตรงเนี้ยพี่ฤทธิ์หลวงพ่อแต่ตอนเนี้ยคล่ำครวนคล่ำครวนนึกออกไห ม, มครับผมคุณอาหน้าภาวนาดีแล้วนะใจมันว่างไปหมดและ ว, ว่างแล้วก็อยา่าไปคุนค ว, วาดให้วุ่นวายขึ้นมาว่างแล้วรั่วว่างใจมันไม่ค่อยจะดิ้นแล้วรู้สึกไหมคือมันดิ้นมาจนกระทั่งบอบช้านุ่มไปเต็มที่แล้วพอมันนุ่มเต็มที่แล้วมันสุ้งมาสุสดที่สุดเด็ดแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันจะหยุด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 บางคนก็ดูไม่ทันนะไม่มีเบอร์มีมีเบอร์แล้วไปยัดไว้ใต้เสือก็มีนะหลวงพ่อไม่ใช่ไสเดือนน ะ, ะเบอร์แปดสิบแปดหลวงพ่อครับผมรู้สึกได้ว่าเห็นกายเห็นใจมันทำงานอย่างเมื่อสักครู่ที่ตอนตอนยกมือครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าตื่นเต้นแล้วพอหลวงพ่อพูดเนี่ย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 ก็หนุ่มไม่ได้มากราบหลวงพ่อนานแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกที่เริ่มภาวนา น, นี่ก็ทำดูไม่เป็นเลยะคะ่ะแล้วพอหลังจากที่สังเกตมาเรื่อยๆก็ก็เห็นสภาวะเยอะขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอยค่ะก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่ใช่ตอนแรกๆดูเป็นมาเรียนแล้วดูไม่เป็นแล้วก็เออ เ, เหมือนกับแรงยึดหรือ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 ถึงจุดหนึ่งนะความปรุงแต่งขาดลงไปปั๊บลงไปเนี่ยมันจะไปเห็นความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งก็คือนิพพานนั่นเองชื่ออสังคตะความไม่ปรุงแต่งนะนั้นเราฝึกไปเราเดินมาได้สุดถูกเส้นทางแล้วใจเราปรุงลดลงลดล ง, ลดลงรู้สึกไหม<ฆ>รู้สึกไหมใจเรานิ่งใจเราสงบใจเราสะอาดใจเราสว่างมากขึ้นมากขึ้นแต่เราเห็นกิเลสเยอะเยะไปหมดเลย<ฆ>เยอนะค่ะเราจะเห็นกิเลสเยอะเยะเลยแต่ใจเราสะอาดขึ้นเรื่อยๆ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 มันเกิดอย่างนั่งสมาธิขึ้นมาเองเหมือนกับมันหยับานถ้าอย่างนั้นเราไม่ให้ไม่ห้ามนะค่ะไม่ได้เหอถ้าจิตมันจะเข้าสมาธิให้มันเข้าไปเลยค่ะให้มันรวมไปนนานแค่ไหนก็ช่างมันแต่ตอนที่มันถอยขึ้นมาเนี้ยรู้สึกเลยค่ะถ้าเราอยู่ๆเราไปจงใจดึงขึ้นมาแล้จะปวดหัวได้พอดีหนูอยากถามนะหนุก็เลยไปฝืนมันไปฝืนมันค่ะอะไไม่สดชื่นค่ะถูกต้องละภาวนาอัเบอร์สิบแงมาข้างหน้าวาชการหลวงพ่อครับผม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 จิตสมดุลมากขึ้นไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกทางไหมคะปฏิบัติดีแล้วนะแต่ว่าคุณดันอัพมากไปตอนเนี้ยดันขึ้นมาเยอะไปตอนนี้ตืนเต้นค่ะตป่นเส้นเลยเลยไปดันไว้ให้เงี้ยค่ะเดี๋ยวเมื่อยขอนะขอบคุณค่ะไม่รู้ทันมันอ้าวไก่มันยังบังคับตัวเองอยู่ปล่อยซะที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้ละอ้าไก่ว่าไปกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ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 เหมือนกันเราก็ดูของเราเวทนาก็ตั้งเด่นอยู่แต่ช่วงจังหวะที่เราคลิกตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกตัวในช่วง5วันที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าใจมันแยกอยู่ต่างหากเวทนาก็อยู่ต่างหากจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หายนะคะหลวงพ่อเออดีแล้วใช้ได้ฝึกไปนะเอาไว้ช่วยตัวเองยามขับขันเบอร์เบอร์สี่สิบคปดแล้วก็เบอร์แป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 น้ำมศกาลหลวงพ่อครับถ้าใกรณีเราชื่อไร <ลง S 2> หน้าหลวงพ่อลืมไปอมตรีในกรณีที่ว่าเราอยากจะอยากจะเอาลมเป็นวิหารธรรมอย่างนี้เอาอะไรนะเอาลมลมลมเข้าลมออกเป็นวิหารธรรมอย่างนี้ hmm. ถ้าเราเพ่งแต่ว่าเร า, เราก็ดูว่าเรารู้ว่าเราเพ่งอยู่ hmm. อย่างนี้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 เบอร์แปเบอร์แปครับส่งกันบ้านนะครับาตามรู้อาการของใจโดยการดูอาการที่มันกระเพื่อมดูภาษา ต, ต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ก็ได้ทุกทางครับแล้วกเ็เห็นจิตเป็นดวงถ้าภาษาะแรงก็คลื่นแรงเบาๆก็ๆๆเบาๆก็จับได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าจ้องอยู่ที่ลิ้นปีนะไม่ไปจ้องมันไว้แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันมันกระเพื่อมขึ้นมาก็รู้สึก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 การยานามิด ม, มไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไปด้วยกันนะอยู่วง์การโทรศัพท์เนะี่ตอนเนี้ยคนนี้เวลานั่งสมาธินะดูไม่น่านับถือเลยนั่งแล้วก็เหมือนกับคนนอนหลับเนาะหัวห้อยบางที่ขาขัดสมาธิอยู่นะขาดีแไปอยู่โน่นกลิ้งไปกลิ้งมานะคนเห็นแล้วหัวเราะเลย <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่าไปหัวล้อเขานะตัวเขาเอียงนะแต่ใจเขาตรงนะร่างกายส่วนหนึ่งใช่ไหม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 บางทีมันรู้สึกเหมือนมีโมหะคุมเป็นพื้นอยู่แต่ไม่แน่ใจอครับถูกต้องนะครับเราก็เห็นว่ามันคุมเป็นพื้นเราไม่ชอบให้รั่วไม่ชอบมันคลุมอยู่ไม่สดชื่นนะมัวมัวรัว่วมัวคุณหมอไม่ต้องแก้มันนะ่ะไปส่งไปข้างหลัง น, นั่นนั่นนั่นแหละเสื้อขาวนั่นแหละอ้าวส่งกันบ้านนรัสการครับรู้สึกช่วงที่ผ่านมาจิตมันมีพยาบาทเยอะครับคือมัน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 คือตัวเองรู้ว่าค่ะว่าแบบรู้สึกไหมว่าเวลามีโทรศัทแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์คือใจมันไปชอบมันชอบด้วยเหรอ <c oughs> โอ้ร้ายหน้าดูเลยมันเหมือนแบบมันไม่ยอม <ใจ S 2> ปล่อยค่ะใช่ค่ะนะให้รู้ทันว่าชอบรู้ไปอีกนะ <c oughs> เห็นไหมร้ายกว่าน้องอีกคว <c oughs> ามจริงเริ่มเปิดเผยแล้ว <c oughs> แต่แต่รู้นะคะหลวงพ่อรู้ว่าตัวเองร้ายมากคือแบบอารมณ์ร้ายมากแบบโทรศัแรงด้วยพวกนี้ภาวนาง่าย แล้โทสะนั้นเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดหลวงพ่อเป็นโทสะจริตงั้นภาวนาง่ายดูง่าย ด, ดูจิตดูใจนะถ้าใครอย่ามายั่วมโมโหนะหลวงพ่อเป็นโทสะจริตอาเชิญกลับบ้าน